จริงพระบุรีเจ้าท่านหยุดการทําชั่วการพูดชั่วการคิดชั่วเมื่อองค์คุลิมานเข้าใจอย่างนี้องคคุลิมานก็เลยโอ้เรา ท, ทําผิดแล้วนี่นี่แหละความคิดความเห็นเนี่ยมันไม่เข้าใจแต่องค์คุลิมานเจตนาตั้งใจว่าจะศึกษาธรรมะตั้งใจจะเสแวงหาของดีมันก็เลยไปเสแวงหาธรรมะที่ผิดหาของที่ททติดมาเป็นของดีพระบุรีเจ้าท่านกลอดเราหยุดทําชั่ว พูดชัวกิดช่วองค์คดิมาเข้าใจก็เลยหยุดทุกคนเ ค, เคยได้ฟังอย่างนี้ไหมหยุดจากการทำชั่วก็ได้ดวงตายเห็นธรรมเห็นธรรมก็คือเห็นจิตใจมันคิดอันรูป ก, กายได้ตายไปแล้วมันไม่รู้เรื่องอะไรแต่มันเพียงเป็นวัตถุออกไปทําให้คนอื่นมองเห็นเท่านั้นเองแต่สําหรับจิตใจนั้นให้เข้าใจเรื่องจิตใจนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นอนัตตาเดี๋ยวบังคับบัญชามันไม่ได้ ทำไมที่บังคับบัญชามไม่ได้กเพาะมันจับไม่ได้บอกความคิดดูที่มันก็หยุดคิดได้เอาหยุดคิดนะสิมันก็คิดไปได้ดังนั้นจึงมีวิธีมีณโยบายพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราเคลื่อนไหวให้มีสติทันวันให้มีสติกำหนดรู้ในอีบุทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้กำหนดรู้ทันวัน ท่านั้กยังไม่พอท่านเนวี่ยงให้มีสติเข้าไปกําหนดรู้ผู้เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามท่านว่าให้กําหนดรู้เพื่ออะไรเพื่อให้มันมีความรู้สึกอันนี้นี่เองเป็นการแก้ปัญหาอันนั้นเองดังนั้นการที่ทําการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะนําบุคคลผู้ที่ทําแบบนั้นแหละเข้าไปถึงจุดสําคัญคือจุดสุดท้ายอาตมา ชอบพูดเรื่องจุดท้ายมากเพราะว่าเวลามันก็ใกล้ๆแล้วทุกคนะมันเดินไปสู่ความตายทางนั้นทุกคนต้องตายไม่ตายไม่ได้พอเกิดมาแล้วก็ต้องตายเนี่ยต้องรีบพูดให้กันฟังถ้าไม่พูดเสียแล้วแล้วเขาจะรู้ได้ไหมรู้ไม่ได้เพราะพระบุรีเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าต้องพูดต้องสอนเรื่องเขาจะจําเรื่องเรื่องเขาจะาไปใช้กับ ชีวิตของเขานั้นมันเป็นเรื่องของเขาเองดังนั้นการเอาให้เอาให้เสยๆไม่ได้ดีใจเสียใจกับสิ่งที่เอาให้ไปแล้วเขาจะเอาหรือไม่เอาไม่ต้องไปคิดท่านสอนอย่างนั้นคือให้ไปเสยๆทันวันอย่างนั้นเรียกว่าเป็นการเสียสละให้จริงจริงตอนนี้ละ่ะเรารู้อันนี้แหละไปให้รู้การเคลื่อนไหวนี่ไปมันคิดก็รู้มันไม่คิดก็ปล่อยไปมันคิดก็รู้มันไม่คิดก็ปล่อยไป อย่าไปยึดไปถือมันเพราะตัวสมุทัยทําให้ทุกิดถ้าไปยึดไปถือกับพ่วมรู้ต่างๆแล้วเป็นตัวสมุทยัยสมุทัยต้องละน่ยมันคิดต้องปล่อยทันทีให้มันรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวนี้นเป็นวิธีง่ายๆบัด น, นี้พอได้มันคิดขึ้นมาแล้วก็มาอยู่กับการเคลื่อนไหวได้ถ้าเราไม่เน่งไม่เคลื่อนไหวมันเข้าไปในของคิดเลยมันลากเราไปทันทีดังนั้นตัวนี้จึงเป็นการดึงตัวนั่งคืนมาได้คืนมาให้มันยุ่กับการเคลื่อนไหวตัวนี้ ตัวนี้มันเป็นรูปมันเป็นวัตถุชนิดหนึ่งตัวนั้นมันก็เลยมาอยู่กับตัวนี้อาจจะมาเคยพูดให้ฟังถ้าทํายังไงมันไม่หยุดแล้วก็เอามือมาตักตัวนี้ก็มันเจ็บเพราะนี้มันเจ็บมันก็วางเลยมันเข้ามานี่ทันทีเลยมันมาอยู่กับที่มันเจ็บนั่นเองดังนั้นคนเราต้องมีหน้าโยบายท่านว่าผิดต้องแก้โคมผิดพลาดต้องมีทุกคนดังนั้นการแก้เนี่ยแก้การทํามาหากิตนั้นทุกคนต้องแก้ได้ แก้การซื้อขายไปค่าขาดทุนทุกคนต้องแก้ได้เพราะมันขาดทุนเพราะสิ่งนั้นสิ่งนั้นแล้วก็รู้กันเองแต่ตอนนี้เนี่ยมันยากดังนั้นที่นํามาเล่าให้ฟังนี่เพื่อเตือนจิตสะิตใจท่านั้นเองนี่ความผิดพลาดของคนมันอยู่จุดนี้ดังนั้นจึงว่าเราจะเข้าใกล้กับบุคคลผู้ที่รู้พอตามถ้าหากว่าเรายังไม่รู้จุดนี้ละเราจะได้อยู่ห่างไกลจากบุคคลผู้ที่รู้ เราอยู่ห่างไกลก็ตามถ้าหากว่าเรารู้จุดนี้เราจะได้เข้าใกล้กับบุคคลผู้ที่รู้ที่นำมาเล่าให้ฟังนั้นวันนี้ก็คือจะอยู่ห่างไกลก็ตามเหมือนกับใกล้พระพุทธเจ้าจะอยู่ใกล้ก็ตามยังห่างไกลจากพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นดังนั้นวิธีนี้ผลมันนะมันจะทาให้เราเมื่อจวนจะหมดลมหายใจเราจะสะดุดจันงจริง ทุกคนยกเว้นไม่ได้เรื่องนี้รับรองจริงๆเพราะทุกคนนั้นต้องตายตอนที่จะตายทุกคนต้องมามาจุดนี้ถ้าไม่มาสะดุดจุดนี้เราคนนั้นจะเหมือนกับอะไรก็ไม่ทราบเลยมันจะมืดอยู่เสมอไปดังนั้นความสว่างนี่มันจะเพ็จเดียวเท่านั้นเองดังนั้นเคยได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยไล้ฟังหรือปูย่ย่าตายาย พระพุทธเจ้ามาตัดสรูแต่ละพระองค์เนี่ยพวกตัดนรกไปตกนรกไปตกอเวจีนเนี่ยพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยจะมาตัดสรุปอายุสี่หมื่นปีจะเที่ยวเทศเที่ย ว, ยวสอนคนอยู่เนี่ยแต่รัศมีของธรรมะของพระศรีอริยเมตไตรจะซ่องเข้าไปถึงสตัดนรกที่ไปตกอยู่อเวจีเท่ากับแสงฟาฟแมบเท่านั้นเองเห็นแว บ, บเท่านั้นเอง เพราะเนื่องจากการฟังธรรมะอันนี้ไม่เข้าใจก็เช่นเดียวกันแต่คนใดที่อยู่ใกล้ตกอยู่นรกสั้นบางๆก็ได้หรือเดินอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วก็เหมือนกับแสงพาธิตย์กลางวันนี้เองกันหน่ก็เหมือนกับกลางวันกลางคืนแต่ผู้ที่ไปตกอวิชกีนั้นนะ่ะพระศีอริเมตไตรมีอายุสี่ b i l ปีเที่ยวเทศเที่ย ว, ยวสอนี่ก็เห็นแวบขาวเดียวเท่านั้นเองดังนั้น จิตใจเราจุดนี้ก็เช่นเดียวกันมันจะมืด อ, อยู่ตลอดเวลาใครพูดอะไรมันจะไม่รับเลยอพอดีเราได้ยินเสียงธรรมะอะไรแปลกๆนั่นแหละเราต้องรีบออกมาคิดเอามาวิจัยดูใจเราใจิตใจของเราจวนจะหมดลมหายใจจะมาสนแว๊บเท่านั้นเองมันต้องเป็นอย่างนั้นรับรองได้ว่าทุกคนไม่ยกเว้นเลยจะถือศาสนาไหนขอต่างอาตามาเคยพูดอย่างนี้ ถ้าหาว่าเราถือศาสนาพุทธมีบาปมีนรกมีอเวจีศาสนาอื่นๆเขาไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีอาวจีแล้วก็เลิกถือศาสนาพุทธเสียไปถือศาสนาที่เขาไม่มีนรกนั่นเสียมันก็สบายใจแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องสมมุติพูดเท่านั้นเองความจริงที่อาตมาพูดเนี่ยทุกชาตทุกภาษาทุกประเททุกนีกายต้องเป็นอย่างนี้นรกคือความมืดนั่นเอง คือความทุกข์สับสนวุ่นวายนี่เองนรกนิพพานบันเนี่ยคือความหยุดอันนี้ได้นี่เองหยุดไม่ให้มืดเข้ามานี่เองให้มีแต่ความสว่างอยู่อย่างนี้แต่ทุกคนนั่งอยู่ที่นี่มีแต่ความสบายใจแต่บางคนยังไม่เคยดูเข้าไปใจแต่นั่งสบายใจรู้สบายใจเสยเยแต่ยังไม่รู้วิธีนะที่ที่พูดนี่กระเตือนเนี่ยเรารีบมันสบายใจอย่างนี้ในขณะมันคิดมันเป็นอย่างไทางท่านจะรู้เอง คนอื่นรู้แทนท่านไม่ได้พอเดี๋มันคิดขึ้นมาเออนี่มันคิดแล้วเราจะได้เห็นคิดพอใจโอ้เป็นทุกข์แล้วคิดไม่พอใจโอ้เป็นทุกข์เลทั้งสองอย่างนี่พระพระธเจ้าทุกข์ทั้งนั้นดีก็ทุกข์ชั่วก็ทุกข์ท่านว่าดีใจพอทุกข์แบบดีใจชั่วก็ทุกข์อย่างชั่วนัี่พระพิฆเนศถึงวางทั้งสองมือเลยอาตมาเคยพูดเี่ยปิ่งมันจับอย่างนี้ดึงมือนี้มันติดมือนี้วางทั้งสองมือเอาอยาสลอมแล้วก็วางไว้เท่า น, นั้นเอง มันไม่มีเรื่องอะไรนิดเดียวเท่านั้นเองถ้าเรารู้นะอย่างได้บัด น, นี้มันขึ้นมาปุ๊บวางมาอยู่ของรู้สึกฝึกคับบ่อยๆมันค่อยเป็นค่อยไปเองดังนั้นจุดนี้จะเป็นจุดสําคัญที่สุดทุกคนต้องได้รับผลอันนี้แม้จะรักษาศีลก็รับผลอันนี้ให้ทานก็จะรับผลอันนี้ไม่รักษาศีลก็จะได้รับผลอันนี้ไม่ให้ทานก็จะได้รับผลอันนี้เพราะผลอันนี้มันขวงหน้าอยู่ทุกคนหรือมันเป็นแดนขั้นอยู่ทุกคน ถ้าเราทำลายสิ่งนี้ได้แล th? erm ้วก็แสดงว่าเราหมดงานที่เราจะทำแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนหมดงานที่เราจะทำแล้วเรียกว่าถ้าพูดตามสำนวนเนี่ยเรียกสมมจันทร์เราอยู่จบแล้วสมมจันท์ก็หมายถึงบุคคลผู้ที่อยู่เย็นเป็นสุขว่าอย่างนี้ก็ได้หรือหมายถึงบุคคลผู้ที่สงบแล้วหรือหมายถึงบุคคลผู้ที่สะอาดแล้วหรือหมายถึงบุคคลผู้ที่ทางาน เรียบร้อยแล้วเท่านั้นเองดังนั้นวันนี้ก็นำมาแนะนำให้ญาติโยมผู้ที่สนใจฟังแล้วนำไปใช้ที่พูดมานี่ยืดยาวแต่วิธีที่สั้นที่สุดนะวิธีที่สั้นที่สุดจำให้มันดีเคลื่อนไหวตัวเราให้มันรู้มันคิดให้มันรู้เอาสองอย่างเท่านี้ก็พอไปไหนมาไหนเคลื่อนไวหวให้มันรู้มันคิดให้มันรู้ ให้มาอยู่กับการเคลื่อนไหวนี้เองพอดีนอนกลางคืนก็ตามกลางวันก็ตามคนมาพูดให้เราพอใจก็กจะ ไ, ไปอยู่กับคมพอใจไม่พอใจก็จะไปอยู่กับคมไม่พอใจให้มาอยู่กับการเคลื่อนไหวนี้เองฝึกบ่อยๆความพอใจความไม่พอใจมันค่อยจางไปจางไปลดไปลดไปเพราะเราฝึกหัดบ่อยๆเด็ยมักต้องเจริญเนี่ยเป็นวิธีเท่านั้นเองดังนั้นมันจะค่อยเกิดค่อยเป็นค่อยมีขึ้นมาให้เราได้รับผลมาจริงๆ แล้วมันจะค่อยคอยจางคายไปเมื่อท่านไม่ยึดไม่ถือแล้วท่านสบายใจไหมก็สบายความสบายเป็นยังไงท่านรู้ไหมรู้คนอื่นรู้นําเราได้ไหมรู้ไม่ได้นี่จะความสบายนั่นแ่ะจะพูดยังไงให้คนอื่นเข้าใจกับเราไม่ได้ความทุกข์มันแสดงออกมาหน้าดําหน้าแดงขึ้นมามันแสดงขึ้นมาให้คนอื่นเห็นได้แต่ความสบายเนี่ยแสดงให้คนอื่นเห็นไม่ได้ดังนั้นวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนนะจิงว่า เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่เรามาทําของง่ายนี่แหละให้มันยากเดี๋ยวนี้นี่ว่าไปฟังเทศฟังธรรมหรือทําบุญให้ทานลักษาศีลต่างๆมีแต่พูดยากๆทายากๆโอ้โหจะมีเวลาได้ทําได้ทำไมเพราะมันจะผุกขีอยู่กับการกับงานทั้งนั้นคนทุกคนต้องมีการมีงานทําแต่ไปทําอย่างนั้นนะมันทําไม่ได้อาจามาพี่ปองทําแล้วเรื่องนี้เดี๋ยว วิธีที่จะมาพูดเนี่ยไปที่ไหนก็ทําได้นี่อยากให้ทางก็ทําได้เอาเงินให้คนอื่นแล้วก็สบายใจแล้วก็มาดูใจเราคนอื่นมาโกดเราแล้วเราก็ไม่พอใจก็มาดูใจเราแล้ก็หมดเรื่องไปนี่แล้วก็มาฝึกหัดตัวนี้นี่เองแล้วควมยึดมั่นถือมันก็ค่อยจางไปจางไปจางไปนี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดจําไว้ให้มันดีบัดนี้นอนกลางคืนมันชอบคิดมันคิดไม่ดีก็มาอยู่คนรู้สึกนี่เอง คนนอนไม่หลับนะพูดถึงคนนอนไม่หลับทําแรงๆทาปุ๊กอย่างนี้หรือเอามือสักหน้าเราก็ได้ให้มันเจ็บแล้วก็นอนหลับไปมันคิดขึ้นมาก็มาสักหน้าเราอีกหรือมาตีตัวเราในตีที่ไหนก็ได้บิดเนื้อหนังเราก็ได้ให้มันเจ็บมันก็จะค่อยวางของคิดนั้นมามือนกันมาอยู่กับเนื้อกับตัวเรามันจะค่อยๆเป็นไปดังนั้นเราไม่เคยฝึกเรื่องนี้ไม่เคยฝึกจริงๆตัวของผมหรือตัวธรรมาเนี่ย วิธีที่นํามาร้องให้ฟังเป็นพิทีลั ด, ลดเมื่อฝึกตัวนี้เข้าไปไม่ต้องพูดถึงเรื่องโทสะโมหะโลภะและบัติเนียไม่ต้องพูดถึงข่มยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องพูดถึงข่มสงบและบัติเนียพูดเอาตัวสุดท้ายอีกแล้วเมื่อเราจวนจะหมดลมหายใจก็ตามเราเจ็บไายได้ป่วยก็ตามเป็นวิธีใดก็ตามล่ะเราต้องมาดูการเคลื่อนไหวอย่าไปดูลมหายใจให้มากมันหายใจเข้าใจออกรู้สึกตัว น, น้อย แล้วมันเคลื่อนไหวโดยวิจัการรู้มันคิดก็ให้รู้เพียงแค่นี้เองแล้ววันนี้มันจะมีโอกาสที่เราจะได้มองของคิดมันจะขาดช่วงกันเข้ามาทันทีนี้แหละความจุดจิตตัวนี้เนี่ยปฏิสนธิจิตหรือจุดจีติจิตท่านพูดอย่างนี้เมื่อมีความสว่างที่ตรงนี้ก็แปลว่าเราได้รับธรรมะหรือควมสว่างจากบุคคลผู้ที่รู้หรือพระพุทธเจากก้าก็ได้เมื่อเรายังมืดอยู่ พอดีมันพูดเป๊บอย่างที่พูดให้ฟังพระศีอริยเมตตามาตัสรู้อายุสี่หมืนปีก็ยังมืด อ, อยู่ไม่รู้ที่ใดมันกระจัดแยดนิดเดียวมันก็ไม่รู้เลยอันนี้ถ้ามาตกกระใดข่อยโจนให้เรามองที่ตรงนี้เมื่อตรงนี้ขาดไปคําว่าขาดไปนี่ทางนี้จะว่ายังไงไม่ทราบอตมาเคยพูดให้ฟังเอาเสื้อพูดพูกต้นนี้พูกต้นนั้ตัดตรงกลางเนะี่ะ เรื่อมันจะกระเด็นตามเสาข้างนี้เลยเพราะมันตึงเนี่ยพอด็กพัดมันจะรู้ทันทีเนี่ยเมื่อมันรู้แล้วดึงเข้ามันไม่จุกกันเลยแล้วครูบาอาจารย์มาสอนมาบอกขันห้าอายตนะภายนอกภายในมันไม่ถึงกันอันนั้นเป็นคำพูดมันเป็นกฎของธรรมชาติมันเองเมื่อเรามาดูจุดที่มันจะเข้าไปตัดจุดนี้ให้ได้เมื่อมันตัดจุดที่ขาดออกระยะใดเวลาใดวินาทีใดเราจะรู้ทันที ไม่ต้องไปถามใครเลยพอดีมันเข้าสู่สภาพมันแล้วร่างกายนี่ก็เข้าสู่สภาพมันได้จิตใจมันก็เข้าสู่สภาพมันได้การเดินหน้าก็ได้มีการถอยหลังก็ไม่มีเรียกว่าคงที่ถาวรอนไม่เปลี่ยนแปลงอยากให้พวกเราทุกคนจําเอาไว้เพียงแค่นี้จําเอาไว้และนําไปปฏิบัติรับรองว่าไม่ผิดาพาดไม่ผิดพลาดทาไมจึงรับรองได้เพราะทุกคนต้องตายนี่ รับรองว่าถ้ามาทําอย่างเนี้รับรองอย่างนานสามปีอย่างตลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดให้เวลาเก้าสิบวันแต่ไม่ถึงจุดนั้นอาตมาพูดนี่เขาจะเข้าใจแต่เมื่อยังไม่ทํานั้นบางคนอาจไม่เข้าใจแต่ทําเพียงเล น, น้อยอาจไม่เข้าใจนะจุดนี้นะดังนั้นจุดนี้ต้องแน่นอนที่สุดทุกคนแม้จะเป็นผู้มีความรู้มากๆก็ต้องไปที่นี่ คนเขียนหนังสือไม่เป็นก็ต้องไปทีน่นี่คนมีเงินจากหมื่นล้านแสนล้านก็ต้องมาทีน่นี่คนจนจนไม่มีเงินแม็สตางค์เดียวก็ต้องมาที่นี่จะพัวาตายจึงแน่นอนที่สุดจุดนี้นะดังนั้นอาตมาได้พูดให้มาตั้งแต่ต้นมาก็มายึดจุดนี้พูดไปที่ไหนก็ต้องมายึดจุดนี้เพราะว่าจุดนี้เป็นจุดสําคัญเรว่าหัวใจของพุทธศาสนาเป็นการต่ออายุให้พวกเราให้พวกเราได้ทําคือว่าพยายามทํา มันคิดไม่พอใจรีบ ม, มาดูใจเราทิ้งอาไม่พอใจออกไปเสียเนี่ยเป็นการต่ออายุของเราแล้วเนี่ยเพราะเราทุกเอาคมทุกมาไว้ทําไมเราทิ้งไปแล้วคมทุกคมหมดไปแล้วก็แล้วสบายใจเป็นการต่ออายุถ้าเราทุกอยู่อย่างนั้นตลอดเวลามันก็ตายเร็วนี่เองดังนั้นความโกรธเนี่ยมันทําให้คนตายเร็วดังนั้นปู่ทุสนคนธรรมดาท่านว่าอย่างนี้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยสอน พูดให้กันเลาเหมือนกับสมไฟจะให้เป็นไม้ทองฟ้าไฟมันไม้ทองฟ้าไม่ได้นะใครเคยเห็นไฟไม้ทองฟ้าได้ไม่เคยเห็นจะมาือโยมเคยเห็นบ้างไหมเคยเห็นไฟไม้ทองฟ้าบ้างไหมไ ม, ไม่เคยมีนะนี่ดังนั้นพูทุสุนเนี่ยชอบโกรธเหมือนกับจุดไฟไมทองฟ้าดังนั้นพระเรียนเจ้าท่านสอนว่า คนผู้ที่รู้จักเหมือนกับทองฟ้าปุทุชนนี่โกรธให้พระเดียเจ้านั้นไม่มีโอกาสเลยพระเดียเจ้าจะร้อนได้เจ้าปุถศชนนี่เหมือนกับจุดไฟไม่ทองฟ้าจุดยิง่งจุดก็ดยิ่งไหม้ตัวเองกองใหญ่เท่าเด็กก็ยิ่งไหม้ตัวเองแต่ฟ้ามันไม่เคยร้อนใจเลยไม่เคยร้อนเนีย่ยว่าปุถุชนจุดไฟไม่ทองฟ้าแต่อาจะมาก็ไม่รู้ที่เพียงพอเมื่อเราให้ฟังดังนั้นเราอย่าเพิ่งโกรธ ถ้าโกรธเมื่อได้กระจุดไฟเผาตัวเราทันทีท้องฟ้ามันไม่เคยรู้เลยดังนั้นเราโกรธให้คู้ต่อสู้เราเนี่ยบางทีผู่ต่อสู้เราอาจจะไม่โกรธกับเราเขาได้นี่ถ้าเขารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์เขาอาจจะไม่โกรธแล้วเลยจุดไฟให้ไม่ท้องฟ้าแล้วคนนั้นจะไม่เดือดร้อนกับเรามีถ้าเราทุกคนเดียวอาตมาเป็นแล้วเรื่องนี้อาตมาเราให้ฟังคมจริงนในบ้านของอาตมาเนี่ยอาตมาไม่พอใจใเขาจนเอาพระกระถินไปถวายพระ ตอนเย็นมาพูดกันเขาร้อยฟังโอจริงแล้วเลิกกันเลยนึกว่าจะเอาชนะสิ่งนี้ให้มันได้ถ้าเอาชนะสิ่งนี้ไม่ได้ไม่มีวันเลยอาจจะมาตั้งใจไว้เท่านั้นเองการทําบุญให้ฐานรักษาศีลทำกรรมาฐานความสงบทั้งหมดเลยจะมาที่ตรงนี้ถ้าไม่มาที่ตรงนี้ก่อนทำไปก็ดีไม่ได้ห้ามสร้างกองกรถิ่นก็ดีไม่ได้ห้ามอืมสร้างพระพุทธรูปก็ดีไม่ได้ห้ามแต่ว่าอันนั้นมันเป็นอีกเรื่อง เรื่องนี้มาเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญทุกคนทําได้ถ้าหาักสนใจถ้าไม่สนใจไม่ต้องทำก็ได้เที่ยทต่มานามาไลฟ์ฟังวันนี้ก็นึกว่าทุกคนจำได้เอาไปใช้กับชีวิตของเราจริงๆคาสอนทั้งแปดหมืนสีนะ่พันพระน้ำขันเน่ะเริ่มต้นให้มาจับจุดว่าเราไม่พอใจอ้าวทุกแล้วนะข้อที่สองเราพอใจทุกแล้วให้แก้ปัญหาที่ตรงนี้เนี่ยนี่เขาเรียก แก้ปัญหาซึ่งหน้าบัด น, นี้เมื่อเราไม่โกรธคนอื่นไม่โกรธแก้เหตุผลก็ว่าเหตุผลมาพอพอใจแล้วไม่พอใจเหตุผลน่นเดี่ยวแก้ซึ่งหน้าไม่พอใจซึบที่แก้ทันทีกพรว่าแก้ที่ประสบการณ์เนี่ยทันวลาอย่างนั้นแก้โดยเหตุผลเรามานั่งคิดเอ้ยเราไม่พอใจเขานี่ย เ, เที่ยวหลังไม่ต้องแก้นี่แล่ว่าแก้เหตุผลเนึงว่าข่วมผิดเป็นครูจะอย่าทําผิดนะบทนี้จำไว้นะบทต่อไปให้มาดูใจเรา พอดีใจเรามันคิดออกไปแพ็บขึ้นมาอยู่กับคนรู้สึกอันนี้ข้อที่สองข้อที่สามออกไปวันนี้เราต้องดูไปไหนมาไหนต้องดูสภาพหรภาวะจิตใจของเราคิดจิตใจมันเซย์เท่านั้นเองอันที่ไม่เสย์ไม่เป็นปกติแล้วความผิดปกติในขนาดไหนเวลาใดแล้วนั่นแหละพระบุรีเจ้าจังหวัดทุกมีแต่ทุกเท่านั้นเกิดขึ้น มีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปสิ่งที่ไม่มีทุกข์นั้นไม่ต้องไปพูดถึงอย่างที่ว่าจุดไฟไม่ทองฟ้าไม่ต้องพูดถึงดังนั้นเราทําความเข้าใจกับจุดนี้ได้เราจะเข้าไปรู้ที่ในระยะช่วงที่เราจะขาดออกจากกันนี้เองจุดนี้แหละอาตมาอยากให้เข้าใจไว้ถึงยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็อยากให้จับจุดนี้ไว้ด้วยโซนระยะคนเนี่ยจะหมดลมหายใจในอาตมา นึกเอาเองนะระยะสามนาทีหรือห้านาทีเนี่ยต้องจุดนี้่านแล้วแน่นอนที่สุดถ้าเราทำรู้วันนี้จะไม่ดีหรือจะจะไปรอใครทำให้เราปีหน้าจึจะทาตีหรือปีต่อไปจะทำถ้าเราล้มตายลงทันทีเนี่ยจะได้มีโอกาสทำหรือหรือจะไม่มีโอกาสทำอาตมาตั้งใจจะมาพูดเท่านั้นเองดังนั้นวันนี้ก็ที่พูดกับหมอเขาว่า พูดได้ถ้าหลวงพ่อต้องการก็ต้องการพูดอันนี้นี่เองต้องการพูดสิ่งนี้ถ้าไม่ต้องการพูดอย่างนี้ก็ไม่มาก็นอนโร ง, งพยาบาลพูดแล้วเพราะว่าหมอเขาจะจัดการแล้วพรุ่งนี้เขาบอกอย่างนั้นแต่ว่า uh, ถ้าหากเขาจัดการพรุ่งนี้ตอนเวลาเก้าโมงสามสิบมุทุลาแล้วกลับมาพูดให้โยมฟังไม่ได้มุทุลาแล้วก็มาพูดไปถ้าหากยังไม่มุทุลาบางทีเขาพาตัดลงไปแล้วยังไม่มุทุลา วันหลังก็จะมาพูดให้ฟังอีกถ้าหมดธุระแล้วก็ถือว่าจบสากกันแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น<ม>เพราะว่าทุกคนต้องฟังเอาไว้นะเรื่องนี้อาตมาไม่ได้กังวนนกพระพุทธเจ้าทั้งกลับสอน พ, น, สสพนพูดจนหมดลมหายใจสิ่งที่สำคัญพูดจนหมดลมหายใจอาตมาก็คิดว่าแต่อาตมายังไม่คํานวณได้เพราะว่าพรุ่งนี้เวลาเก้าโงสามสิบเขาจะเอาไปจัดการเขาไว้ยังนั้นเนี่ยแต่ว่าเวลาเท่าไหร่ยังไม่ทราบ ทายที่สุดนี้อาตามาก็ได้เพิ่มเข้ามาหลายอย่างหลายวิธีให้แก้ปัญหาตัวเราอย่าไปแก้คนอื่นคนอื่นมันเรื่องนิดเดียวตอนนั้นเองเขาจะทุกข์กับเรื่องของเขาเขาจะสุขกับเรื่องของเขาเราอย่าไปทุกข์กับเขาก่แล้วกันเอาแหละที่อาตามาได้นำธรรมะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเกเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตามาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้อาตามาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้า และพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและคุณของพระลันตาสาวกพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิดใจของพวกเราให้พวกเราจําคําสุดท้ายที่ตมาพูดนี้ไม่ต้องไปจําคํำพูดเท่พระเจ้าตายไปแล้วสองพันห้าร้อยปีนะ่ะไม่ต้องจํากันเก็บจำให้คนดีคนตายไปแล้วสองพันห้าร้อยปีแล้วคุณมาพูดนี่บางทีอาจจะเคลื่อนไหวไปโดยวิธีใหแล้วก็ยังไม่รู้มันเปลี่ยนแปลงไปได้คําพูดเนี่ย พระเจ้าในขณะเมื่อท่านยังมีลมหายใจท่านไม่ได้พูดอย่างนี้ท่านอาจจะพูดซีตรงไปจุดนี้จุดเดียวก็ได้เดี๋ยวนี้เราจะตายไปแล้วเราคิดอย่างนี้ก็ได้นะสังขารยานายขั้งที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าอาตามาเคยถามเกมิดมาได้กี่ปีเอาถามโยมก็ได้เกิมดามาได้กี่ปีแล้วยังไม่ได้อหนูเกิดมาได้กี่ปีแล้วฮะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดปี พ่อหนูยังไหมแล้วคําแรกที่สุดพ่อหนูสอนคําแรกที่สุดนะสอนเรื่องอะไรอยู่ที่ไหนกําลังนั่งหรือนอนแน่เพียงอายุยี่สิบเจ็ดก็ยังยี่สิบเจ็ดปีก็ยังจําได้อันนั้นพระพุทธเจ้าตายไปแล้วเราได้ห้ารนะนะ้อยเออได้สี่ร้อยนะสี่ร้อยห้าสิบปียังไม่ได้จารึกพระธรรมวินัยไว้บัด น, นี้พระพุทธเจ้าตายไปแล้วสองพันห้าร้อกว่าปีแล้วเราจะไปจําเอาที่ไหนมาเป็นสําคัญได้ อันน่ะเหลือเรื่องมาได้ 2,520 กว่าปีแล้วดีแล้วแต่เราอย่าไปทิ้งแต่เราอย่าไปเยอะไปถือขอให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องสำคัญตัสรู้เพราะอันทนทางจิตทางใจเรามาจับจุดสำคัญจุดนี้เ่ยว่าที่อาจารมาพูดให้ดูใจเราให้ดูใจเราจวนจะหมดลมหายใจก็ตามหรือวินาที่ใดก็ตาม